เรานั่งขัดสมาธิภาวนาพุโทโธพุธโทโธในใจไม่เกี่ยวกับลู ก, กตาเรียกว่าหลับตาไวแต่ว่าไม่ให้ใจหลับบางคนขันนั่งภาวนาพุโทโธหลับตาก็ใจก็ไปหลับด้วยพุโทโธไม่เลยภาวนาจิตใจก็ไม่ข่องใสทำใจของเราให้ข่องใส คือให้ใจละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้าพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้าพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้านี่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนให้พากันเจริญพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคือว่าเราไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้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 ปากน้ำโพนครสวรรค์ใถ้เรือเรือพายเรือไม้เจาะเอาก็มีเอาไม้ตะเคียนมาเจาะเป็นเรือล่ อ, ลองเรือลงไปขาขึ้นมาก็ถอะขาขึ้นมาถอขึ้นมาพายขึ้นมาการไปมาสมัยโบราณลำบากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันไปไหนมาไหนรวดเร็ว แต่ก็เวลารถลาเกิดทุพภะวะเหตุ <c oughs> ก็มักจะมี <c oughs> มภัยอันตรายอยู่เสมอจึงให้พากันภาสยพุทธคุณคำว่าพุทโธนี่แหละไปในรถก็ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านให้ใจนึกอยู่ในคุณประพุทธเจ้าพุทโธ พุโทโธพระพุทธเจ้านั่นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายนัาิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพุโทโธเมสลนังวะลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศสูงสุดของข้าพระเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้า พระอริยะสงสาวกเจ้าทังหล้าเจนที่พึ่งในใจของเราให้ระลึกโยในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆสังโฆธรรมโมพุทโธพุทโธธรรมโมสังโฆสังโฆธรมโมพุทโธนี่แหละให้เลิกถึงมันคล่องแคล่วในจิตในใจยังมีชีวิตอยู่ไปมาที่ไหนท่านก็ให้ระลึก เดียวนี้บัณฑตายของชีวิตทุกคนเมื่อแก่ทลาแล้วหรือไม่แก่ก็ตามเด็กก็ตามนันความแตกดับความตายของคนเรามันมีได้ทุกเวลาถ้าเรามีคนสะพุทธเจ้าล้ำลึกอยู่ในใจบุคคลพวกนั้นเวลาตายไปก็ตายไปดีตายมีสติ สติคือใจละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้ใจละลึกถึงคุณพระธรรมได้ใจละลึกถึงคุณพระอริยสงสาวกจีใจเมื่อละลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ได้คล่องแคล่วว่องไวก็แสดงถึงธาตบาลมีสีนบาลมีเนคขัมบาลมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบาลามีสัจบาลามีอธิธานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้งสิประการนี่แหละคนโบราณท่านเขียนว่าปัญญาบารมีรวมแล้วเป็นปัญญาบาลามีคนจะมีปัญญาก็ต้องประพฤติปฏิบัติ ในข้อธรรมบาลมีสิบข้อเมื่อผู้ใดเกิดมาเป็นคนแลว้วได้ทำบุญให้ทานได้หลักษาชิ้นหน้าจิ้นแต่ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้เจริญภาวนาพุโทโธในใจธรรมโมในใจสังโฆในใจอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขกายสบายใจยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลก <c oughs> ผู้ใดจะเลินได้บ่อยๆจริญนได้มากไม่ปล่อยปากละเลยนั่งก็พุทธโธธรรมโมสังโฆยืนก็พุทธโธธรรมโมสังโฆเดินไปไหนมาไหนก็พุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธังธรรมังสังคังพุทธะธรรมะสังฆะนีเป็นสรณะที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เฉพาะแต่มนุษย์เรา แม้เทวโลกเทวดาก็ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆพยาอินพยาพมก็ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆหน้าคตกุมพันคันทยักก็ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆนี้มีบังเกิดขึ้น หลายพันปีมาแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในมนุษย์โลกพระพุทธเจ้ามาตรัสลู้อายุของพระองค์ได้แปดสิบบริบูรณ์จึงดับขันเข้าสู่นรก า, านที่เรานัดพอสอเขียนหนังสือเขียนจดหมายเขียนอะไรก็ตั้งพอสอวันที่เท่านั้นเดือนเท่านั้น พุทธตลาดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานมาสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดทีนี้แล้วอันนี้คือนับนับจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมาก่อนนิพพานสุอายุพระพุทธเจ้าได้แปดสิบแปดสิบปีบริบูรณ์คนพระพุทธเจ้านี่เราต้องล้ำลึกถึง คนพัลรัตนไตรท่านกล่ ว, ว่าหรือว่าคุณพระพุทธประธรมพระสงค์นี้เป็นแก้วสามดวงพุทธ ร, รัตนังแก้วคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนังแก้วคือพระธรรมสังฆรัตนังแก้วคือพระสงฆ์พระรัตนไตรทั้งสามประการนี้แหละให้ทุกๆคนเจริญอยู่เป็นนิตรติดต่อกันไป ไม่ว่า้าวไร่ชาวนาชาวปูนซีเมนในยังก็ตามให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทําการงานอะไรก็ไม่เน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่หิวเพราะว่าคุณพระรัตนตรัยคุณพระศรีรัตนตรัยก็ว่าคุณพระพุทธธรรมประสงค์อันเดียวกันพุทธโธก็เหมือนกับว่าธ ร, รมโมสังโฆสังโฆก็ธรรมโมพุทธโธอันเดียวกัน พระพุทธธรรมพระสงค์ได้แยกไม่ออกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนที่ท่านจะได้มาตรัสรู้ท่านก็ปราถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนานมาตั้งสี่องสงขายแสนมหาจับรคาว่าอาสงขายเนะี่ย อย่านับเป็นกลับเป็นกันเลยว่ามันมากมายจนเรียกว่าอาสงไข่นับจนนับไปไม่ได้เรียกว่าอาสงไขยภาษาสมัยโบราณนับไปมาได้ก็กลับมานับใหม่อีกในว่าสีอาสงไข่แสนกลับอีกแสนมหากับกว่าที่พระพุทธเจ้าเจริญสัจจะลู่ เป็นประพุธิธเจ้านั้นได้ชัวรเป็นเวลายาวนานพระองค์ก็มีความอดความทนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตั้งอยู่ในหลักขิน์ห้าชิ้นแสน 8, ต้งอยู่ในหลักทำบุญสมฐานสมัยพระพุทธเจ้ายังสร้างโพธิยานอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนพระองค์ก็มุ่งมั่นอยู่ในทานบาลามี ในสีน่ะบาลานีในเนคคะบาลานีทุกพพทุกชาทถ้าแก่ทลามบ้นปลายแห่งชีวิตแล้วท่านก็ออกบวชเป็นพระฤาษีตาตาขาวรักษาชินห้าชินแปในบริสุทธิ์แล้วก็มักจะไปอยู่ในถ้ำในป่าในดงในภูเขาที่สูงที่สุดนะ เพราะว่าที่นั้นมันเป็นที่เงียบที่สงายเป็นที่เจริญสมถะธรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่สร้างบุญสร้างกุศลท่านตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวบาลามีก็แก่กล้าขึ้นมาโดยลาดับลาดับเพราว่าทำบุญสุนฐานจิตใจก็สะอาดกายก็สะอาดเป็นผู้มีหลักศีล5อยู่ในตัว คนเราที่จะเกิดมาเป็นคนใด น, นี้คือว่ามีหลักศีลธรรมอยู่ในตัวศีลธรรมก็คือว่าหลักศีลห้าคนเรารักชีวิตของตนไม่อยากจะให้ใครมาทำลายชีวิตของตนเบียเดเบียนตนเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียเดเบียนตนเราก็ไม่ควรไปเบียเดเบียนคนอื่น มุ่งหวังให้คนอื่นสัดอื่นแม้จะเป็นสัตว์สิ่งเดียและฐานก็าตามเมื่อเราเห็นเข้าแล้วก็ไม่มุ่งเพื่อฆ่าเพื่อทำลายอย่างเดียวมุ่งหวังให้เขามีความสุขระบายสัตว์บกก็ให้มีความสุขอยู่บนบกสัตว์น้ำก็ให้มีความสุขอยู่ในน้ำยาได้เดียดเดียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้ากันสอนด้วยว่ามานุษ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 ท่านจึงไม่ให้เดือดเดียนซึ่งกันในกันจงตั้งจิตเจตนาเหมือนกระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความเมตตาแก่โลก <c oughs> ท่านให้เจริญเมตตากว้างว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้บรรดาที่มีจิตใจมีวิญญาณคลองอยู่จงให้พากัน <c oughs> อยู่เย็นเป็นศข เบื้องบนแต่ภวะกระกกผมลงมาให้พากันอยู่เย็นเป็นศกเบื้องเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาให้พากันอยู่เย็นเป็นศพลงกลมคลืนจากตัวเราออกไปหมายถึงลงกลมตั้งแต่ตัวเราออกไปจนถึง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 กายสบายใจอันนี้เป็นความเมตตามนุษย์คนเราถ้ารู้จักจเจริญเมตตาให้แก่ศัตร์ทั้งหลายสัตร์ทั้งหลายก็ได้คือว่าไม่เบียดเบียนมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่เบียดเบียนศัตริ่งทั้งหลายจริงสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนมนุษย์คนและศัตว์ก็อยู่ร่วมโลกอันเดียวกันไม่ใช่้ที่ไหนเป็นแผ่นดินอันเดียวกัน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 ยากจะมีความสุขายสุขใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้พาการละลึกถึงคุณระพุติเจ้าคนณระพุติเจ้านี่แหละเป็นสรณะเป็นสารณะที่พึ่งเวลาคนเราจะรับขีนจากพระก็เรียกว่ารับพระรัตนตรายก่อนพุทธังสารนังคาถานี้ข้าพเจ้าขอถึงตถาคติเจ้าเป็นสารณะ คำมังสลนังขจามิข้าพ เ, เ, นะเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสณะสัตสังสลรนังขจานิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายผู้ถึงแล้วเข้าไปแล้วซึ่งพันธิฐานข้าพเจ้าเอาเป็นสัะนนะัที่ขึ้น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 เมื่อจิตใจของเราเลื่อมใสในคุณพระลัณาไตรพันว่าเป็นบุญเป็นกุศลแม้ยังมีชีวิตอยู่ทำมาหาเรื่องชีวิตก็จเจริญด้วยอำนาจเอชานุภาพคุณพระพุทธธรรมประสงค์เมื่อจิตใจของเราลำเล็กอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์จะทำม า, าจริงอย่างไรก็จเจริญรุ่งเรือง ไม่ต้องไปเหยียดเดียงกันไม่ต้องไปทำร้ายร่างกายกันปล่อยให้มันตายไปเองสมมติว่าเราเกลียดทางคนโน่นคนนี้ก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีไ ป, ไปเปืนไปยิงหรือว่าไปจ้างมือปืนไปฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ไปร้อยปีกว่ า, วามันจะตายหมดนั่นแหละเราไม่ต้องไปฆ่าอย่าไปเหยียดเดียนกันเอ eng เลงอยู่ในใจของเราว่า ให้คนเราทั้งหลายมีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเข้าคองมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมีที่ทามาหาเลี้ยงชีพให้มีความสุขกายสบายใจทั่วหน้ากันตลอดร้อยปีหมดชีวิตก็ให้ไปเกิดสวรรค์เทวโลกฟงมโลกอันมีความสุขสูงกว่ามนุษย์ มนุษย์เรานี่มีความทุกข์มากแต่ก็มนุษย์เรานี่มันอยู่ในค่ากลางวางครึ่งไม่สูงขึ้นไปไม่ต่ำลงไปถ้าต่ำลงไปเป็นสัตว์นรกสัตว์สิงเดรฐานก็มีความทุกข์มากกว่ามนุษย์โดสัตว์สิ่งเดรฐานไม่ว่าอยู่ที่ไหนนกหนูปูเปกสัตว์สิงเดรฐานทั้งหลาย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 เคือสมัยโบราณนั้นการฆ่าจัดการซืิอก็เบามือลงกว่าคนสมัยนี้หรืออย่างว่าการฆ่ามนุษย์นี้เขาถือว่าเป็นบาปมากเป็นบาปใหญ่โตมโหฬารแม้ในเขตจังหวัดหนึ่ ง, ง <c oughs> ถ้ามีคนไปเกิดฆ่ากันทำร้าย <c oughs> กันจน ถ, ถึงตายแล้วเป็นข่าวใหญ่เรียกว่าเป็นข่าวลงหลังสือพิมพ์ใหญ่ละจะฆ่ามนุษย์ ทำไมมนุษย์เหมือนกันจึงไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันไม่มีกรุณาสงสารกันอันนี้แก่นคนสมัยโบราณเขาไม่ฆ่าไม่แกงกันเขาไม่ได้ใช้ย่างมือปืนมาฆ่าเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้ฆ่าโตได้กันแล้วก็ฆ่ากันเอาเหมือนกับฆ่าปูฆ่าปลา ถ้าปูปลาไม่กลัวบาปแขนใดฆ่าคนก็ไม่บาปแขนนั่นคนสมัยนี้แล้วว่าทนหนาใจบาปอยากพาทาลุนไม่มีคนประพุติเจ้าอยู่ในใจไม่มีคนพระธรรมอยู่ในใจถ้ามีคนประพุติเจ้ามีคนพระธรรมมีคนพระอริยสงฆ์โยในในจิตในใจแล้วคนเราจะมีความสุขกายสบายใจ เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยนีดูสมัยขั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามาตรัสโล ւ ในโลกแม่ท่านจะได้เกิดเป็นคนอินเดียก็าตามได้ตรัสโล ւ ในอินเดียสั่งสอนทำส่วนมากก็เล่าว่าอยู่ในแพร่นอินเดียเมืองประเทศอินเดีย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 โอนาคมนโน อ, องค์ที่สามชื่อว่ากัตสโปกับพะพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าโคเหาเนี้เรียกว่าโคตามาโคตโมโคตมโคสได้มาตรัสรู้ในโลกก็โปรดเวนยญัต์ทางหลายทูปไปเมืองไทยเมืองเชียงใหม่เมืองไหนก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจะไปที่ไหนก็เหมือนกับว่า ยืแขนออกไปแล้วก็ถึงถกแขนเข้ามาก็ถึงไปไหนมาไหนท่านไม่ต้องอาศัยรถเรื อ, อยานพาหนะไปด้วยลิฟ์ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธญาณเรียวว่าจะเด็ดไปไปได้อย่าว่าจะในขึ้นโลกขึ้นแผ่นดินมนุษย์เราเลย บนพระฟราบนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ยังไปโสพุทธมานดาคือแม่พระพุทธเจ้านั้นยังไม่เส้นความปรารถนาแม่พระพุทธเจ้านั้นไม่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยคือว่าเป็นแม่พระพุทธเจ้าผู้สันโทในทางลูกตายพระโกนาคมาโนก็เป็นแม่คนนี้พระกระรัตโพก็แม่คนนี้ พระโคตโมพระพุทธเจ้าเรานี่ยขอแม่คนนี้แหละต็นสากขนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่จะมาต ร, รัสลลในแผ่นดินนี้ยังเหลืออยู่พระศีริอริยะเมตโยโคติสัตมาเกิดก็จะมาเกิดในท้องแม่คนนี้แหละเดี๋ยวนี้ยังไปอยู่เมืองสวรรค์ทั้นดูสิ แล้วอยู่บนสวรรค์สั้นฟ้าใ น, นสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเรายัางมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านเกงไปโปรดพุทธมาดาพร้อมกับเทวดาทั้งโลกที่ตาวติงสาเป็นที่นั่งเทศนาพระอภิธรรมตลอดไรมากสามเดือนพระพุทธเจ้าเระจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ บนสวรรค์สูงเป็นอวกาศพระพุทธเจ้าไปจาพรนษาสามเดือนพระพุทธเจ้าก็มีลมหายใจอเมริกามันขึ้นไปดูพระจันหาลมหายใจไม่มีน้ำไม่มีลมหายใจไม่มีเป็นอวกาศอาวกาศแห้แงแล้งร้อนที่สุดหนาวที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไปจำพรรษา จึงมีธรรมเนียมว่าเมื่อออกพรรษาแต่ละปีละปีมนุษย์เราก็ทำบุญสนทานรับออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดแรงขั้นหนึ่งเป็นวันสมัยพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาตาวัดติงสาตั้งฟ้าเสด็จลงมาในเวลาเสด็จลงมานั้นมนุษย์ก็เห็นเทวดายินทรมแห่แห่น ลงมาจากบนช่วงสวรรค์ให้มนุษย์ได้เห็นนางฟ้านางสวรรค์เทวดาผมพยาพมพยายินพยาผมเห็นหมดแหละเพราะฤทธิ์เดชพระพุทธเจ้าบันโดมันดาลข้างล่างมนุษย์ถ้ามองลงไปในแผ่นดินก็เหมือนมีกระจกเงามองเห็นขับที่ตกนรก มีความทุกข์ยากลำบากลำคาญอย่างใดในพื้นแผ่นดินก็มองเห็นเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นโกราผลอย่างหนึ่งเมื่อถึงวันออกพรรษาตักบาปเทโวเทโวแปลว่าเทวดาคือพระพุทธเจ้าบันดาลให้มนุษย์เห็นเทวดาส่วนเทวดานั้นเป็นเห็นมนุษย์ทุกเวลา แต่มนุษย์เราสังขากไม่มีตาทิศมองไม่เห็นเทวดาเห็นแต่มนุษย์ดดวยกันเท่านั้นกับสัตว์เชิงเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์ตวน้ความจริงเทวดาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเทวดาเห็นนั้นใครจะทำบาปอกุศลใดๆก็อย่าไปทำเพราะว่าเทวดาเป็นเห็น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 พุทโธพุทโธนี้พุทธคนคุณกับพุทธเจ้าผู้ใดจเจริญถึงแล้วลึกถึงอยู่ย่อมมีความสุขความจเจริญทางนั้นแห่ น, นการภาวนานี่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนในขึ้นโลกนี้ภาวนาได้ทางนั้นเดี่วบ้านก็ภาวนาที่บ้านไปวัดก็ภาวนาที่วัด ไปท้ำไปภูเขาก็ไปภาวนาที่ภูเขาสถ า, านที่จเจริญภาวนาท่านว่าไม่เลือกสถานที่นั่งก็ภาวนาพุทโธให้ได้นั่งแดบไหนก็ภาวนาพุทโธได้ทั้งนั้นแหละยืนแดบไหนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปไหนมาไหนที่ใดใก็จเจริญภาวนาพุทโธได้ ไปรถไปลาก็ภาวนาพุโทโธได้ไปเรือน้ำเรือบกอะไรก็ไปบนเครื่องดินก็ภาวนาพุทธโธได้พุโทโธนี้จงลํำลึกไว้ในใจของเราว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งผาอาศัยของเราได้จริงๆเมื่อบัรปลายแห่งชีวิตของคนเรายอ่อมมีความตายเป็นผลที่สดุด ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปภาวนาพุโทโธนี่แหละพุโทโธในใจนี่เป็นญาณเป็นพาหันะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะพาเราท่านทั้งหลายให้ไปเกิดในเทวโลกในพรมโลกก็ไปจะโยที่ไหนที่ไหนไม่เลือกภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆได้ทั้ ง, งนั้น ให้ใจเราลำเล็กอยู่ในคนพัฒน า, ายจทั้งสามประการเมื่อมีคนพัฒน า, ายจอยู่ในใจเราทุกคนตลอดเวลาที่ไหนก็เป็นความล่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกขความเดือดร้อนใดๆมนุษย์เห็นกันก็มีความเมตตาการุณาซึ่งกันและกัน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 ได้พบพุทธาศาสนาแล้วก็ให้รู้จากการเอาบุญบุญนั้นไม่ใช่มีแต่การทําทานการกุศลอย่างเดียวสี่ก็เป็นบุญภาวนาพุทโธพุทโธนี่ก็เรียกว่าภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาบป็นสาเร็จด้วยการภาวนานี้ไม่ต้องไปซื้อหาได้เปลี่ยนด้วยวัตถุเข้าของเราเอากาย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 เราก็จะไม่หลงไม่ลืมอาวนาพุโทโธในใจของเหล่านี้อันนี้แหละเป็นขอ้อปฏิบัติทั้งพระศิสุสงในทางสามเณรในทางพุทธศาสนาทั้งญาติทั้งโยมเรียกว่าอุบาสกอุบ า, าสิกาศรัทธาชาวบา้านก็นึกได้ซึ่งคุณพระพุทธธรรมประสงค์จงรรทาจิตทาใจของเราให้ของใสสะอาด เมื่อจิตใจของเราของใสสอจะอาดราจากบนทินโทษไม่มีความโกรธไม่มีความโลภความหลงในใจของเราได้เมื่อใดแ้่จิตใจของเราก็จะของใสสะอาดไม่มีอาฆาตพยาบาทจองเวรแก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้เราจเจริญอยู่ในพุทธังธรรมาังสังฆังในใจของเราได้ทุกเวลา ทั้งหลับตาและลืนตาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้เราจะอยู่ในเพศพันวันนะใดๆจะมีอายุแก่สลาไปมาไม่ได้จะมีอายุอยู่ในขั้นกลางก็ตามยังอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มก็ตามให้เราพากันเจริญละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนืองนิตรติดต่อกันไป ได้ลเลิกถึงคุณพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนืองนึจติดต่อกันไปไดเลิกถึงคุณพระอริยสงสาวกในใจของเราให้เนืองนิจติดต่อกันไปจนกระทั่งถึงวาลาจุดท้ายเราจะตายจากโลกนี้ไปก็ตามใจของเราก็ให้ลำเลึกอยู่ในคุณพระพุทธธรรมพระจง์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 ความมุ่งหวังใดๆในใจของเรามีอยู่ความมุ่งหวังนั้นก็จะสำเร็จลุ่วงไปได้ดังความมุ่งมากตาดสนาด้วยเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพคุณพระธรรมเจ้าด้วยเตชานุภาพคุณพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายหากบันรลบรรดาให้เนไป ชั่วชีวิตของเราทุกคนมีความสุตกายสบายใจทั่วหน้ากันดังสแสดงมาก่อสมควรด้วยตาละเอลาเอวังก็นเนด้วยประตาละชนียาถาวาิวะหาปูราปะริปุเรนติตาขลังเอวเมวะอิตตินาง เทตานังมุปะทัพติอิสิตังพัิตังตุมหังสิตามวาสมิสสตตุคบเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปันลาลโซยะทามิโยติเบโซยะตาสับพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเทภวัตวันตรายโ สุขีธีขาโุโกภวะภิวาทนาสิริชนิจังวุธาป จ, จายิโนยัตตารโรธรรมาวันติอายุวโนสุขังตาลังเววโตอระหโตสัมมาสัมปัสสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาขอนอดน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหัชตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนบัติณี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 เอามือข้างขวาวางทับมือข้างใต้ตั้งต า, ายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเนิกบริกรรมภาวนาวันนี้ให้เลิกถึงมรณะกรรมฐานคำว่ามรณะกรรมฐานกรรมฐานคือความตายลี่ ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นยอดกรรมฐานเพราะคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นที่เกิดมาแล้วบ้านสุดท้ายคือความตายความตายหรือตายไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเวลาสัตว์จะตายก็ดีคนจะตายก็าตาม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 คนโบราณจึงตั้งชื่อให้ความตายนี้ว่าเป็นพยาญาตให้ชื่อว่าพระยามัชิลราคือความตายแต่เราจะไปมัวกลัวความตายไม่ทำความเพียรละกิเลสไม่นั่งภาวานาปฏิบัติบูชาให้มันข้ามพ้นจากภพชาติเสียก่อนจึงให้ตาย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 มรณะภัยนี้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดพ ย, ยามมจุลาาหรือมรณะความตายเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้มีความเมตตาว่าคนนั้นเป็นหญิงคนนั้นเป็นชายเขาไม่หวาคนนั้นคนดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ยกเว้น ธรรมะชีทามก็ไม่ยกเว้นอุบาตอุบาสิกาก็ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นเ้าพยาหมาหากะยญ ย, ยสูงใหญ่โตปันใดในโลกมนุษย์พยามัม จ, จุลาคือความตายไม่มีการยกเว้นให้เราเข้าใจว่าตัวเราทุกวันนี้ เรานอนหลับอยู่ก็คือว่านอนหลับรอท่าความตายจงกําหนดให้ดีเร้ย ว, ว่ามัลลนังเมพาวิสติมัลณ ะ, ะความตายเรามักจะคิดว่าเรานอนสบายเอาความสุขสบายแท้ที่จริงนอนรอวันตายแล้วเวลาตายมันก็เหมือนเรานอนนั่น แต่ว่าจิตมันยังไม่ออกจากล่างความตายนั้นแลว้วจิตมันออกจากล่างแล้วจิตใจคนเรานั้นเมื่อมันออกจากสารีละร่างกายอันนี้แล้วไม่มีใครรู้เห็นหายได้ทุกทิ์ทุกทางจึงเน็กเตือนจิตเตือนใจดวงนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายว่า มารนังเมภาวิสติเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำตายด้วยกันทางนั้นความตายนี้ไม่มีใไครลหลบีแต่ว่าผู้จะมาเึกมาเจริญพิจารณาให้เห็นแจ้งซึ่งความตายนี้ไม่ค่อยจะมี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 อย่างนี้ก็มีแต่ว่าให้คนเราทุกคนเลิกให้ได้จเจริญให้ได้ว่าความตายไม่หนีไม่พน้นจะหลบหลีกท่าไหนก็ไม่พน้นหลบไปเธอหลีกไปเธอทอนเวลาเด็กเวลาหนุ่มตายก็มีทนเวลาหนุ่มแข็งแรง ปางกลางคนตายคนนี้เลยปางกลางไปเลยอายุสี่ชิดปีห้าชิดปีไปก็ตายได้ทั้งนั้นหกชิดปีก็ตายเจ็ดชิดปีก็ตายแปิปีก็ตายเก้าิปีก็ตายเก้าสิบเก้าปีก็ตายร้อยปีก็ตายเลยร้อยปีไปสักกี่ปีก็ตาย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 เอามาคิดมาพิจารณาเพ่งมองในจิตในใจกำหนดให้รู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจนจิตใจเลิกละทีลความโสรโลกหลงอวิชชาตัณหาในใจได้จึงจัดว่าบันลุมรณนะกมัฏา เป็นยอดทักสูงสุดจนเข้าถึงความตลอดสังเวกเมื่อตัวจะตายก็าตามคนคนเห็นคนอื่นตายก็าตามจนได้ความสลอดสังเวกไม่ใช่กลัวตายเท่านั้นพอเอาให้มันได้สลดสังเวกว่าคนเราก็าตามสัตว์ตั้งร้ายก็าตาม มันหนีตายไม่พ้นหลบตายไม่พ้นเลีกตายก็ไม่พ้นลบไปไหนก็ตายนุ่งผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสก็ตายนุ่งผ้าขาวก็ตายนุ่งผ้าเขียวก็ตายตายได้ทั้งนั้นแกก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตาย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 ถ้าถึงวันเวลาตายเลยมันภาวนาไม่ได้มันปันโ Poll มลยตัวเองก็ทุรนทุรายเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าผู้ใดตายเพราะอุปัทวัยเหตุถ้ามันตายปุ๊บไปทีเดียวก็ไม่มีเรื่องแต่มันตายไปครึ่งหนึ่งกลางหนึ่ง จิตใจยังคองเล่าอยู่มันทุ ก, ทกขเวทนานะใครทำอะไรอะไรให้มันไม่ถูกใจทั้งนั้นและก็ตัวจะตายมันก็เป็นแน่จงนึกจงเจริญไวทำให้แจ้งในในมรณะกรรมฐ า, านด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเอาหหนมันผันอายเมื่อใดก็ไม่ต้องไปร้องให้น้ำตาไหลเหมือนคนบางคนไม่ต้องบนเพ้อลำลหลจงตั้งอกตั้งใจสงบจิตสงบใจว่าให้วิตกวิจารท่านว่าให้เมตติ สติก็คือว่าจิตใจตัวเองเตือนใจของตัวเองได้ได้ ว, ว่ามีสติคนเราบางคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังไม่ถึงตายก็ตามเมื่อมันเจ็บเข้ามามากๆเจิตใจมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแล้วว่าวุ่นไปหมด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 ยังไม่ได้ก็จะมานมัวนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่ได้ต้องเตืนขึ้นลกขึ้นภาวนาต้องทำเทียนปฏิบัติบูชาภาวนาถ้ามันจริงจังในหัวใจจนถึงขั้นละงับดับความง่วงเหาเานอนฟุ้งซ่านลำคามได้หมด ความขี้เกียจที่ค้านมากกา้ในหัวใจไม่ให้มีภาวนาเลิกละแก้ไขได้หมดเดินเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมองเห็นใครอันตรายเมื่อความตายมาถึงเข้าอย่างว่ายืนอยู่เวลามันจะตาย เกิดเป็นลมเต็นแล้ขึ้นมาหัวใจวายเลยยืนอยู่มาก็ล้มตึงลงมาตายไปเลยแกไม่ทันไม่มีทางแกจะไปวิ่งหาหมอหาหมอที่ไหนไม่ทันล้มลงก็ตายหน้าและตาตายไปหมด ตายยังนั่นข้าไม่เอาตายยังนี่ข้าไม่เอาไม่ได้ตายยังใดก็จำเปนต้องเอาแล้วต้องตายแล้วเนื้อใจได้เจริญให้ได้ในใจสอนตัวสอนใจให้ได้สอนคนอื่นในยังสู้สอนตนไม่ได้ตัวเองนั่นแหละสอนได้ยากมันไม่ค่อยฟัง ดันดื้อไปอย่างนั้นแหละต้องเอาให้มันคันเอาให้มันได้เอาให้มันถึงเอาจนไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจา้าตักเทศนาธรรมไว้แปดหมืนสีพันพระธรรมคันเคยให้ตัวเองเอาไปสอนตัวเองไม่ใช่ว่ามีหนังสือมีพระธรรมอยู่แล้วก็ตั้งไว้เฉย สอมตัวไม่ได้กิเลสลาคะในใจก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้ชื่อว่าไม่นึกถึงความตายเมื่อความตายมาถึงเขาได้อะไรพ่อแม่พี่น้องญาติกาวงสาสามีภรรยาลูกเต่าหลานเหล็ม ทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไล่นาบ้านเรือนตึกรามเอาไปได้ที่ไหนเทศ น, นมันเห็นมองให้ได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งในจิตเนิกมาแต่งแต่งเมื่อมาเกิดมีอสมีสตางมีวัตถุเข้าของอะไรติดตัวมาเมื่อเกิด ไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาได้แต่น้ำเลือดน้ำเหลืองอาบน้ำเลือดน้ำเหลือง อ, ออกมาได้แ ต, ตห่หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้แหละตายไปก็ยิ่งหลายหนังหุ้มกระดูกนี้กระดูกนี้กับมนุษย์ที่ยังไม่ตายเขาก็เผาที ท, ทีกระดูกไปตามเลือก เอาอะไรไปในได้ท่านั้นทำไมจึงห่วงหน้าห่วงหลังยุดตกพีจานเตือนจิตใจดวงผู้โลนในตัวในใจให้มันเตือนขึ้นให้มันโลกขึ้นทำความเทียนภาวนาให้มันหายโง่เขาเบาปัญญาเสียี ให้มันละกิเลสโลเลในหัวใจนี่ให้มันได้เสียทีดันั้นอุบายต่างๆนี่แหละแน่ว่าเพิมใจด้วยมรณะกรม ร, รมราอย่าได้สมาธก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็ส้มกวรด้วยกาละเดลาเอวังก็มีด้วยการะชนีสัพพีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโคโมีนัสตุมาเตภวัตตะวัน ต, ตราโย ο. สุขิเทคายยโกภวะอภิ ว, วาทนาชิริสเนจังวุภธธาปจาริโนโ ยจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโสชุขังสาลัง